ก่อนจะพูดอะไรอยากให้คิดดูก่อนไม่อยากจะย้อนให้เสียใจแค่จะเลกกับฉันแล้วยังฝาาขอคิดไว้เป็นห่วงเป็นใ ย, ยให้ยืดยาวเธอย้ำว่าเธอไม่รัก ให้เข้าใจเธอขอให้ ให้ฉันฟูมฟไฟมันคงไรประโยชน์ไม่กรบรอบหน้าฉัน ยังจะคิดมัน I'm n d s t